บรนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเหตุแทงทุกข์ที่พระผู้มีพระภาคเจา้าทรงแสดงแก่ท่านเมตกูนั้นทรงสรุปรวมด้วยคำว่าอุปธิที่แปลว่าสภาวะที่ทนได้ยากยย่ง คำว่าอุปธิโดยความหมายที่คลายครอบคลุมไปถึงเรื่องของขันของกรรมกับของกิเลสในกรณีของกรรมนั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์อย่างไรกรนี้บุคคลพึงสังเกตว่าเจตนาที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้บุคคลกระทำทั้งทางกายทั้งทางวาจา และทั้งทางใจเราสรุปรวมเรียกว่ากรรมแต่กรรมที่บุคคลกระทํานั้นเกิดขึ้นจากเจตนาดีบ้างเจตนาไม่ดีบ้างโดยพื้นฐานทั่ ว, วไปทำใดที่กระทําขึ้นด้วยเจตนาไม่ดีที่ประกอบด้วยเครื่องปรุงคือกิเลสที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เป็นเหแห่งความทุกข์ที่ประจักษ์แก่ใจของบุคคลในขณนะนั้ น, น, นเพราะพอเริ่มคิดจิตใจก็จะถูกแผดเผาด้วยความร้รอนแห่งกิเลสเมื่อแสดงออกมาทั้งทางกายและทางวาจากะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่คนอื่นด้วยแก่ตนเองด้วยในชั้นของความคิด สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนก่อนพอทำออกไปพูดออกไปความเดือดร้อนก็กระทบถึงคนอื่นและเป็นการกระทบที่ต่อเนื่องกันไปผลกรรมในเชิงที่เป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีบุคคลสามารถกำหนดสังเกตได้ในแต่ละขณะเป็นสี่ช่วงใหญ่ๆด้วยกันช่วงแรกก็คือเรื่องของ กิริยาหรือผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําอย่างในกรณีนี้กําหนดได้ยากกว่าเป็นผลของความดีหรือผลของความชั่วเช่นบุคคลได้ทรัพย์สินเงินทองมานั่นอาจจะเกิดขึ้นด้วยสัมมาชีพก็ได้อาจจะเกิดขึ้นด้วยมิจฉาชีพก็ได้เงินทองจึงไม่สามารถเป็นเครื่องตัดสินผลของกรรม แต่คนก็มักจะหลงประเด็นในกรณีนี้กันมากโดยมองเห็นว่าผลนั้นเกิดขึ้นจากกิริยาคือการกระทําเป็นผลของกรรมไปเป็นผลของกรรมดีหรือกรรมชั่วไปแต่จริงตรงนี้เป็นผลของกิริยาอาจจะเกิดขึ้นจากการกระทําดีก็ได้กระทําชั่วก็ได้ขั้นที่สองเป็นผลที่เกิดขึ้นภายในจิตสํานึกของบุคคลผู้นั้น หลังจากได้กระทําไปแล้วมนธรรมสํานึกจะเกิดขึ้นภายในใจเขาเองจะเป็นความเล่าร้อนความมิตรกกลางบนความบาดระแวงความขลาดกลัวต่างๆตามความรุนแรงของกรรมที่ตนได้กระทาเอาไว้ผลคือความทุกข์ปรากฏเด่นชัดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นอย่างสำนวนโบราณที่ใช้คาว่า แม้คนไม่เห็นผีสางเทวดาก็เห็นหรื อ, อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าความลับไม่มีในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความลับในการกระทำบาปที่จะต้องแสดงอาการแผดเผาสร้างทุกขเวทนาให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นแม้ว่าจะมีจิตใจท่ามินตินชาติอย่างไงก็ตามส่วนหนึ่งของจิตสานึก จะต้องเกิดความทีตัว ก, กังวลหวาดกลัวหรือเดือดร้อนเพราะการกระทำของตอนเองเป็นผลที่แยกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นระหว่างผลของความดีกับผลของความชั่วซึ่งก็เป็นกรรมด้วยกันในชั้นที่3เป็นผลที่เห็นชัดเจนเพราะวินิจฉัยจากข้างนอกนั่นคือทัศนคติต่อบุคคล น, นั้นที่สังคมเขามอง แต่การมองของสังคมจะให้เป็นเครื่องกำหนดความดีความชั่วแก่บุคคลได้นั้นพระพุทธเจ้าเองทรงเน้นไปที่บินยูชนคือคนที่เป็นนักปรา์คนฉลาดคนที่เป็นบัณฑิตเพราะคนประเภทนี้ย่อมมีนิฉัยไปตามควรแก่กรณีในชั้นของศีลในชั้นของศีลทมจัรญาสามัญท่านจัดตัิ บุคคลที่ควราําหนิเมื่อเขามีการกระทามที่ควราําหนิแต่จะไม่เป็นการาําหนิตลอดไปําหนิตามควรแต่กรณีนั้นๆเท่านั้นก็ตามปกติวิถีชีวิตของบุตุชนอย่างสำนวนที่พูดกันว่าชั่วเจ็ทีดีเจ็ดไม่มีใครที่เขาทำความชั่วอยู่ตลอดโดยไม่มีความดีเลยและไม่มีใครที่ทำความดีได้ตลอดโดยไม่มีความผิดพลาดอยู่เลย ถ้าตราบใดที่เขายัางเป็นบุตรชนจุด้านการตําหนิจึงตําหนิตามควรแก่กรณีนั้นๆเท่านั้นแด้ดูที่การกระทําของเขาเวลายกย่องก็จะยกย่องคนที่ควรยกย่องโดยดูที่การกระทําของเขาเช่นเดียวกันซึ่งหมายความว่าไม่มีการยกย่องตลอดไปคราใดที่มีความพลาดพลาดเกิดขึ้นก็จะมีการตําหนิในการกระทําเหล่านั้น นั้นความรู้สึกนึกคิดของสังคมที่มีต่อการกระทําของบุคคลเป็นผลที่ปรากฏชัดแก่ใจของเขาจะว่าเป็นดีหรือเป็นชั่วเป็นสุขหรือเป็นทุกข์และผลที่ชัดเจนแน่นอนไม่มีความเปลี่ยนแปลงนั้นคือผลที่เกิดขึ้นจากการบันดาลของกรรมที่บุคคลไม่สามารถสืบสาวหาเหตุได้ในบางกรณี และบางกรณีถ้าหากไปใช้ปัญญาพินิจพิเคราะห์สืบสาไปจากผลซึ่งปรากฏในขณนะนั้ น, น, นเชื่อมโยงก็ไปหาเหตุในอดีตที่ก่อให้เกิดผลเช่นนั้นก็จะสามารถมองเห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเหตุกับผลได้ว่าผลที่เกิดขึ้นในขณะนั้ น, น, นเกิดจากเหตุในอดีตที่ตนทามเมื่อคราวนั้นคราวนี้ในกรณีที่เป็นผลของบาปก็จะปรากฏชัดเจนมากยิ่งขึ้น แรงบันดาลของกรรมที่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้กระทำในกรณีทั่วไปคือกระทำความชั่วทั้นแล้วแต่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้และที่สําคัญก็คือว่าตราบใดที่ผลกรรมยังไม่หมดสิน้นกรรมจะทําหน้าที่เป็นปฏิสนโนคือหล่อเลี้ยงเอาไว้ให้บุคคลนั้นแม้อยากตายก็ไม่มีโอกาสตายคนบางคนประสบผลกรรม แต่เผ็ดประสบความทุกข์ทรมานเหลือเกินอยากจะตายไดจนถึงก็ฆ่าตัวตายแต่ก็ยังตายไม่ได้คือกรรมไกลจะหลอดต้องรอเลี้ยงเอาไว้มีเหตุให้เป็นไปคื อ, อยังตายไม่ได้ต้องชดใช้กรรมนั้นให้เสร็จซื้อก่อนอันเป็นส่วนของกรรมที่เราเรียกว่าทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมคือกรรมที่ต้องให้ผลในพร บ, บปัจจุบันแก ต, ต้องให้ผลเสร็จซสียก่อนแล้วในที่สุดคือจะตายก็ตายไป แต่ว่าในชั้นนี้เนื่องจากผู้ถามท่านมุ่งผลสูงสุดคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงดังนั้นการที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์อีกชั้นหนึ่งคือความทุกข์ในสังสารวัฏคําว่าความทุกข์ในสังสารวัฏนั้นอาจจะได้เสวยสุขในสวรรค์หรือแม้ในพรหมโลกเองแต่มองแล้วก็เป็นความสุขในชั้นของโลกียะและเป็นสุขที่ประณีตมากยิ่งขึ้นเลยทั้งไป ดันั้นยังเป็นสังสาระคือการต้องท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกมองอีกชั้นหนึ่งก็กลายเป็นความทุกข์เพราะอะไรเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแต่ไม่สามารถจะคงสภาพเดิมของตนไม่ได้แม้ว่าจะดำรงอยู่ตลอดการที่นานเป็นพิเศษก็ตามแต่เพราะความเป็นสังขารของสภาพชีวิตเหล่านั้น เมกขึ้นแล้วก็ต้องมีความสื่อมสลายไปแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปโอกาสหนึ่งถึงแม้จะนานก็ต้องแตกตับไปดังนั้นการมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์จึงหมายรวมในชั้นสูงจึงหมายรวมถึงบุญด้วยที่เราเรียกว่าบุญญาภิสังขารเกื้อิสังขารที่เป็นบุญปรุงแต่งให้เกิดความสุขความสบายใจ ได้รับเกียรติด้รับความเคารพนับถือจากสังคมจนถึงกับรับผลบันดาลแห่งกรรมที่เป็นความสุขมีความเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายได้พบได้เห็นรูปที่ดีๆเสียงที่ไปเราะปลื้นที่หอมหอมรสที่อร่อยสัมผัสที่น่าจับต้องก่อให้เกิดความกำหนัดเพลิดเพลินแต่ทั้งหมดยังกลายเป็นสังขารยิ่ง แต่นั้นก็ยังถือว่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์ด้วยในกลุ่มของกามเหล่านี้ในชั้นที่ประณีตขึ้นไปยังอยู่อีกชั้นหนึ่งที่ท่านเรียกว่าอาเนชชาพิสังขญที่จริงแล้วเป็นสุขกันประณีตมาถ้าพูดถึงระดับโลกียะแล้วก็หลุดพ้นจากวางบนแห่งความทุกข์เป็นกลับกันกันทีเดียว เดีเมื่อมองจากจุดสูงสุดคือพระพุทธเจ้ามองพระอาหารหันต์ท่านมองท่านมองเห็นเป็นความทุกข์เพราะยังเป็นสังขารดังกล่าวแล้วข้อนี้ถ้าหากว่าท่านสาธุชนนึกถึงพระพุทธดําริของพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ใหม่ๆและแตัดสินพระทัยจ ะ, สะแสดงคำแก่ชาวโลกเมือเลือกบุคคลที่จ ะ, สะแสดงก็นึกถึงอดีตอาจารย์ทั้งสอง คือท่านอุตะกะดาบุท่านอาลาดาบุตกาลามโคตอุตะกาดาบุตรามบุตรปรากฏว่าท่านแรกตายไปก่อนนั้นเจ็ดวันแล้วท่านที่สองก็เพิ่งตายเมื่อวานนี้เองพระพุทธเจ้าก็เปร่งอุทานว่าอาจารย์ทั้งสองประสบความจิบหายอย่างใหญ่ตัวทําไมจิบหายอย่างใหญ่หลวงเป็นการจิบหายจากอรหัตตุขุนซึ่งหลุดพ้นจากสังสารวัฏ แท้จริงท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นเมื่อตายไปแล้วบังเกิดในอรูปประพรมที่หลุดพ้นจากความทุกข์ระดับทั่วๆไปอยู่เป็นเวลานานแสนนั้นเนื่องจากความเป็นสังขารของท่านพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าประสบความเสื่อมหรือความจิตพายอย่างมากทําให้ท่านไม่มีโอกาสสัมผัสอรหัตคุณซึ่งหลุดพ้นอย่างแท้จริงแต่นั้นในชั้นสูงสุดแม้แต่ อรูปปัจชานซึ่งบุคคลในใช้ความเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติมาเป็นเวทนานเดินถึงบันไดทั้งแปดขั้นด้วยกันเอาก็จริงมองจากจุดสูงก็ยังเป็นความทุกข์อยู่นั่นเองและในขณะเดียวกันก็เป็นเหตุแต่งความทุกข์ด้วยแต่พึ่งก็ใจว่าในระดับสูงขึ้นไปนั้นเป็นความทุกข์ในอีกความหมายหนึ่งไม่ใช่เป็นความทุกข์เพราะว่าแพ้ เอาเพราะว่าเกิดความเล่าร้อนอย่างทุกเวทนาที่สามัญชนทั่วไปกําลังประสบอยู่แต่เป็นความทุกข์ในความหมายที่ว่ายังเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยคือยังเป็นสังขารอยู่แล้วมาเป็นสังขารก็ต้องต้องตกอยู่ในกฎของใจรักและตกอยู่ในกฎของใจรักษณ์ก็ยังชื่อว่าไม่หลุดพ้นจากความทุกข์มันเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างนี้จึงทรงแสดงโดยสรุปว่ากรรมนั้น เป็นอุปเที่ประการหนึ่งคือเป็นสิ่งที่ทนได้ยากประการหนึ่งแม้จะมีความประนีตขึ้นไปดังที่กล่าวแล้วก็ตามประการที่สองเป็นกลุ่มของขันเึ็นก็ทรงจําแนกแสดงไว้เช่นเป็นพวกขันห้าเองเป็นพวกเกาเรียกว่าอุปาทินอากาศรูปคือหมายความว่ารูปที่ประกอบด้วยธาตุสี่ คือดินน้ำลมไฟแล้วก็มีบินยาณครองการมองในแนวนี้เป็นการแส ด, แดงในแนวของทุกขเวทนาคือรู้สึกไม่สบายปวดหัวปวดท้องมีธาตุวิประดิษเปลี่ยนแปลงแปรแ ป, ร, ป ร, รวนไปเป็นต้นเพราะว่าร่างกายของบุคคลริษัทตลางนั้นประกอบด้วยธาตุใหญ่ๆสีธาตุ6กธาตุด้วยกันสมบคนก็ทงแสดงไว้กธาตุ ไื้กว่าดินน้ำลมไฟอากาศได้วิญญาณส่วนสัตว์ส่วนพืชก็ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศแต่วิญญาณ น, นั้นก็คงมีอยู่ระดับหนึ่งซึ่งไม่สามารถจะเรียนรู้หรือพัฒนาให้สูงขึ้นไปท่านจึงไม่พูดเรื่องของธาตนั้นแม้แต่แกมีความแปรปรวนในตัวของแกเองก็สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตัวทุกขเวทนาที่เห็นได้ชัด ลมมากไปไฟมากไปน้ำมากไปแต่ละอย่างแต่อย่างคือหน้ามากไปหรือน้อยไปเรื่องมีความยิ่งความหย่อนระหว่งางกันแลยกันไม่มีความสมดุลกันในธาตุเหล่านั้นเกิดความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงขึ้นในร่างกายก็ก่อให้เกิดความทุกข์อย่างที่ทรงสแสดงว่าโรคบางอย่างนั้นมีธาตุเป็นสมุทฐานบางอย่างมีดีเป็นสมุทฐานบางอย่างก็มีฤดูเป็นสมุทฐาน บางอย่างก็มีตัวพยาธิโรคต่างๆเป็นสมุธฐานเป็นต้นตก็ต้องจําแนกแสดงไว้โดยพิสดารแต่ในกรณีนี้เน้นไปที่ตัวธาตุที่เป็นสมุธฐานให้เกิดความทุกข์เวลาแกเกิดบกพร่องในตัวของแก่เองแต่ละธาตุหรือแกเกิดมากเกิดน้อยไม่ได้สัสดส่วนกันระหว่างธาตุหนึ่งกับธาตุหนึ่งก็สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลมีอาการแผดเผ า, เาเมีอาการเบียดเบียนก่อใหเกิดความร้านร้อน นั้นก็เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์แต่เหตุแห่งความทุกข์ในชั้นนี้พึงเข้าใจว่าเมื่อพลาดมันก็เป็นขันแม้ในส่วนอื่นๆที่ทรงแสดงเอาไว้เช่นพวกวิญญาณพวกอาจตนะก็อยู่ในกลุ่มของขันเช่นเดียวกันในความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของขันจะทุกข์มากทุกน้อยนั้นอยู่ตัวการสำคัญที่เกี่ยวข้องอยู่กับจิตของบุคคลว่าบุคคลไปยึดถือ ไปเอาจริงเอาจังไปเร่งผลเลิอดเกิดสิ่งเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนเพียงไรถามว่าไปยึดถือเอาจริงเอา จ, งอาจังมากความทุกข์ก็มากและขันเดียวกันนั่นเองเพื่อใจได้ผ่อนคลายความยึดถือมันก็ปรากฏความเบียดเบียนแผดเผาเฉพาะที่กายแต่ใจไม่ได้ไปบวกเข้าด้วยไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันว่าเราเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์หรือเราปวดเราเดือดร้อน ท้าไม่เอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องธาตุก็แปรปลวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดามองธาตุที่อยู่ในที่ไกลแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนาความวิปริตแปรปรวนของธาตุภายนอกคือดินน้ำลมไฟอากาศวิปริตในส่วนต่างๆของโลกทําให้เป็นการเกิดขึ้นในเมืองไทยเราก็รับรู้เพียงข่าวอย่างหนึ่งแต่นั้นเองใจยังไม่ไปเกาะยังไม่ไปผูกว่าเกี่ยวข้องอะไรกับเรา ความมีตักังวลห่วงใยเดือดร้อนก็ไม่เกิดขึ้นจากความแปรปรวนของธาตุที่จริงธาตุ ก, ก็แปรปรวนอยู่ทุกวันแต่ละยามใดที่ธาตุภายนอกนั้นเกิดแปรปรวนในบ้านในเมืองเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแห่งความทุกข์บุคคลก็จะรับขึ้นมาทันทีมีความมีตกกังวลมีความห่วงใยขึ้นมาด้วยดูให้ไกลๆบอกไฟไหม้ในที่บางแห่งเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ไฟไหม้ในที่บางแห่งเราเดือดร้อนมีตักังวลล่วงหน้าทั้งๆที่ไฟยังไม่ไหม้ เพราะอะไรเพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับเรามองเห็นว่าเท่าไฟแม่ดับนั้นจะต้องไหม้ถึงบ้านเราแนะ่และในสุดจิตใจก็เกิดวิตกังวลห่วงใยทรัพย์สมบัติห่วงใยร่างกายของตนเองขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นดังนั้นในกรณีของขันพูดไปพูดมาก็คงจะไม่หลุดพ้นไปจากที่ทรงสแสดงเอาไว้ในตอนที่ว่าดยทุกขรสัในเอริยสัต์ทั้ง4ีปการนั้น ที่ทรงสรุปไปเห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไงก็ตามการเรียกชื่อของความทุกข์ก็พอๆ ก, กับการเรียกชื่อของกิเลสเป็นการเรียกอาการของบุคคลที่แสดงออกในกรณีนั้นๆซึ่ว่าที่จริงก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่ก็เรียกแตกต่างกันออกไปตามลักษณะตามอาการของมันกิเลสก็เรียกอย่างนั้นกิเลสแท้ที่จริงก็คือโลกโลกรบหลงซึ่งมีรากง่ามมาจากอวิชชา แต่เพราะอาการเวลาแสดงนั้นมากบ้างน้อยบ้างมีความรุนแรงบ้างไม่ค่อยจะรุนแรงบ้างหรือบางครั้งก็ จ, จุมกับจิม้มมีลักษณะที่ก่อให้ความเพลิดเพลินตัแล้วคล้ายๆจะไม่เป็นกิเลสแต่แท้จริงก็คือเป็นกิเลสอยู่ชื่อจึงต้องยักย้ายแตกต่างกันเพราะพระพุทธวจนะที่ทรงแสดงนั้นถ้าบุคคลเข้าถึงความหมายของรูปสัพพเดลธรรมหลักแต่และข้อนั้นจะมีความเคลื่อนไหวเป็นรูปธรรมได้ทั้งหมดแต่ ชือของกิเลสจึงจะน่าแกแจกแจงออกไปโดยพิสดารพอมาถึงชื่อของความทุกข์มันก็ทาำนอง น, นั้นคือตอน้นตอนจริงๆนั้นในส่วนของขันในกรณีที่เป็นสภาวะทุกคือทุกโดยธรรมชาติคือเกิดแก่ตา น, นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากเงื่อนไขหลายเงื่อนไขด้วยกันแต่ว่าในกรณีของความทุกข์ที่จรเข้ามานั้นเราจะเป็นตอนมาเพราะไปกําหนดเอาสภาวะคือธาต ติดน้ำลงไฟเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราก็ตามตัวการหยุดที่จิตซึ่งติยึดถือที่ทรงสรุปไปว่าเมื่อเราโดยสรุปการที่จิตของบุคคลไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ท่าห้านั่นเองเป็นความตกไม่ว่าอะไรก็ตามการพัดพลากก็ตามการตายก็ตามการเจ็บก็ตามถ้ า, าคนอื่นตายที่ยังมีอื่นไม่ใช่เราอยู่แล้วก็จะไม่เข้าถึงใจเรา หรือไม่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่เราแต่พอใจไปเอื้อมว่าเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาเท่านั้นความทุกข์ก็จะติดตามมาทันทีดังนั้นในสนีพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนระดับที่เรียนรู้ให้เข้าใจขันเอาไว้ขันที่รวมๆกันเลยคือไม่ได้แยกเฉพาะธาตุใดธาตุหนึ่งโดยเฉพาะที่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นญาติเป็นพี่น้องในด้านภารกิจที่จะต้องปฏิบัติเป็นเรื่องของหน้าที่จะต้องประพฤติปฏิบัติต่อันต่อกัน แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรจะเร็งผลเลิศว่าต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะาสังขารทั้งหลาย น, นั้นจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงสังขารของคนอื่นแม้แต่สังขารของเราเองเราก็บงังคับไปเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้แต่าทาใจใยอมรับความจริงเช่นนี้ได้การจะต้องไปเดือดร้อนวุ่นวายกับบุคคลเป็นนั้นมากก็จะบรรเทาผัวปังลง บางครั้งก็มองให้เห็นในแง่ของธรรมาดาเป็นการมองกันหลายชั้นเพราะเรื่องใหญ่มากคนที่ยุ่งยุ่งก็ยุ่งอยู่กับขันนีเองบางครั้งก็มองเห็นเป็นธรรมาดาเจนบุคคลต้องเกี่ยวข้องกับคนบางพวกซึ่งแตกต่างกันหลายเรื่องหลายราวเราจะเล็งผลเลิกได้ก็ทำได้อย่างเราคิดได้อย่างเราพูดได้อย่างเราปฏิบัติอะไรตามที่ใจเราต้องการได้ทุกอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ พรพื้นเพอัตยาศัยที่แตกต่างกันการสอนให้เรียนรู้โลกเข้าใจโลกตามความเป็นจริงที่เรียกว่าเป็นธรรมดาเมื่อบุคคลจะต้องการสร้างสารร์พัฒนาอะไรจะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งจะปลูกกุหลาบก็ต้องโตแบบกุหลาบไม่ใช่เป็นเลงผลเลือ่อยประกุหลาบจะต้องโตเป็นธูปเรียนจะต้องโตเป็นเนาะไม่ใช่อย่างนั้นการเกี่ยวข้องกับคนกับสัตว์กับสังขารทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน บุคคลจะต้องมองในแง่ของความเป็นธรรมดาของคนของสัตว์เหล่านั้นเราจะสร้างสารรค์พัฒนาไปก็ต้องยอมรับธรรมดาของคนแม้เป็นคนด้วยกันพีท่ท้องเดียวกันเราไม่มีใครสามารถสร้างสารรค์พัฒนาให้ถึงจุดถูงสุดอย่างเดียวกันได้แม้ถึงจุดสูงสุ ด, สดแล้วก็ต้องมีจวนส่วนใดส่วนหนึ่งแตกต่างกันอยู่การปฏิบัติภารกิจการงานก็จะบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นลงไปไม่ว่าจะทําอะไรก็ตาม ในส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลหรือทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าเราไปเล็งผลเลิดมองไปตลอดสายตักบาทไปแล้วพระจะชันหรือเปล่านะของนี้ให้ไปแล้วก็จะใช้หรือเปล่าใช้คุ้มค่าหรือเปล่าอะไรต่างๆเป็นการเริ่มทางอารมณ์ของใจสละไปแล้วยังไปยึดไปถืออยู่ยังเป็นเจ้าข้าเจ้าของในเรื่องเหล่านั้นแสดงว่าใจยังมียางเหนียวผูกพันอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นในสุดใจก็ออยังดิ้นไม่ดิ้นก็หาความทุกข์ไม่ไดห้หาความสุขไม่ได้ ดนั้นจึงทรงแสดงโดยสรุ ป, ปไว้ว่าความยึดมั่นหรือมั่นในขันทั้งห้านั่นเองเป็นความทุกข์ธาตุเองก็เป็นเรื่องของขันห้าวิญญาณเองก็เป็นเรื่องของขันห้าในอายตนะเองก็เป็นเรื่องของขันห้าแต่ว่าในการปฏิบัติระดับนี้เป็นการบรรเทาปอดใคยแต่นั้นเองเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเช่นคนใช้ทํางานไม่ เป็นที่ชอบใจคนขับรถไม่ทําอะไรตามที่ตัวต้องการบุคคลต้องมานักสิการได้เพราะถ้าแกคิดได้ทําได้พูดได้อย่างที่เราทําเราพูดเราคิดแกก็ไม่เป็นอย่างที่แกเป็นการที่แกเป็นอย่างที่แกเป็นนั้นก็เพราะแกไม่มีความสามารถแกเป็นธรรมดาของแกคือได้ในระดับนั้นหรือบางครั้งบางคราวการไปยึดถือต่อคําตําหนิตีเตียนคํานินทากราบคำข่าวข่าวกระซุบกระซิบของบุคคลอื่นอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วใจบุคคลก็ไปเดือดร้อนเพราะไปเอื้อมไปรับอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาไว้แต่ถ้าบุคคลสามารถทำใจให้สงบได้แทนที่จะไปเดือดร้อนว่าคนนั้นว่าเราเป็นอย่างนั้นคนนี้ว่าเราเป็นอย่างนี้เราจะอยู่ด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคนอื่นก็ว่าอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของเขาจริงหรือไม่จริงก็ เ, เป็นเรื่องของเขาก็ไม่ให้ความสาคัญแก่การนินทาว่าร้ายอะไรของใคร แใจก็จะปล่อยวางเรื่องทั้งหลายลงไป น, นั้นมากแล้วก็มาดูตัวเองว่าโดยสภาวะที่แท้จริงนั้นตัวเองเป็นอย่างไรไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะนินทาว่าร้ายอย่างไรถ้าเราเป็นอย่างไรเราที่เราเป็นอยู่นั้นดีหรือไม่ดีถ้ายังไม่ดีก็แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆมีการหกล้มหกลุกกันไปเป็นธรรมดาเพราะการปฏิบัติพัฒนาจิตใจนั้นมันเหมือน ก, การเดินทางมีขวาน้ำหลุมบ่ออันตรายเต็มไป การที่จะเดินถึงจุดหมายปลายทางนั้นก็ต้องฝา่าความอุปสรรคอันตรายกว่าน้าต่างๆไปได้อาจจะหกล้มหกลุกไปบ้างก็ต้องพยายามลุกขึ้นเดินต่อไปโดยไม่ต้องไปเอื้อมรับรู้หรือว่ามิตกเดือดร้อนต่อคํากล่าวหาคํานินทาว่าร้ายของบุคคลอื่นใจ ก, ก็จะผ่อนคลายถึงแม้จะต้องทํางานต้องเหน็ดเหนื่อยแต่จะมีความทุกข์น้อยตรงเองแต่นั้นเรื่องอุปธิเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของกิเลสหรือว่าจะเป็นส่วนของขันหรือว่าจะเป็นส่วนของกรรมท่านผู้ฟังจะมองเห็นถึงความจริงประการหนึ่งว่าเอาก็าจริงแล้วอุปธินั้นเป็นเหตุแห่งสังสารวัติพอจำแนกแสดงออกปากลายเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มของกิเลสกับกลุ่มของกรรมแล้วก็กลุ่มของขันก็กลายเป็นตัวการสร้างสังสารวัต แล้วก็ทั้งหมดจึงกลายเป็นสังขันเป็นสภาวะที่ทนได้ยากยิ่งจะต้องหมุนบนอยู่ในกระแสะของความทุกข์ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าตัวกิเลสนั้นก็คือกลุ่มของอวิชชานั่นเองตัวกรรมคืออะไรกรรมก็คือสังขารทั้งหลายในปฏิจจสมุปบาทนั่นเองตัวขันที่เรียกว่าอุปาทินากาธาตุบั่งเรียกว่าวิญญาณบาั่งเรียกว่าอายตนะบ้างก็ที่จริงก็คือกลุ่มของขัน กลุ่มของขันก็คือนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานที่เดินไปเต็มตามกระบวนของปัจฏิยกากรรมในการแสดงในแนวนี้เราถ้ามองโดยเชิงรูปแบบก็เป็นการพูดถึงอุอปธิเพียงอย่างเดียวแต่มองในเชิงของการประพฤติปฏิบัติในเชิงของกฎธรรมชาติกระบวนการของธรรมชาติแล้วนั่นคือการแสดงปฏิจจสมุบัติอีกแนวหนึ่งโดยตรงที่เห็นว่าถ้าตราบใดยังมีตัวนี้อยู่ คือตัวกิเลสอยู่แกเป็นอุปาธิด้วยตัวของแกเองแล้วแกเป็นตัวต่อสร้างอุปาธิคือกรรมขึ้นมาอีในยามใดที่ยังมีกรรมกับกิเลสอยู่แกเป็นอุปาธิของแกเองแกทนระยกของแกเองแกสร้างความเลวร้อนโดยตัวของแกเองแกสร้างอุปาธิต่อเนื่องไปอีกแกสร้างออกเป็นนามรูปมาเป็นอายตนะมาเป็นการกระทบมาเป็นเวทนาเป็นความสุขเป็นความทุกข์เมื่อเป็นเวทนาก็เป็นความยึดความถือ เป็นปัญหาคือความอยากในเวทนาเหล่านั้นก็หมุนวนเข้าไปเป็นอุปทานไปเรื่อยๆเดินใน <c oughs> วงจรของปฏิจจ at สมบัติหมุนวนกันไม่มีที่สิ้นสุดไปดันั้นการปฏิบัติเพื่อถ่ายถอนอุปธิจึงทรงสแสดงไว้โดยอเนกกระประยยิญจนเพื่อให้บุคคลสามารถอย่างน้อยที่สุดหาความสงบในชีวิตประจำวันโดยการลดความรุนแรงของกิเลส เมื่อกิเลสลดความรุนแรงลงไปกรรมก็เป็นบาปน้อยลงเมื่อกรรมเป็นบาปน้อยลงสังขารก็เป็นทุกข์น้อยตามลงไปด้วยต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป